เรื่องทรงห้ามเหยียบผืนผ้าขาวสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเหยียบผ้าที่ปูไว้รูปใดเหยียบต้องอาบัตทุกกฏ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 ภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมเหยียบลำดับนั้นสตรีนั้นจึงตําหนิประนามโพลทนาว่าฉไหนพระกุลเจ้าทั้งหลายถูกขอเพื่อเป็นสิริมงคลก็ไม่ยอมเหยียบผ้าเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินสตรีนั้นตนําหนิประนามโพลทนาภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายครืหัดต้องการสิริมงคลภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุที่ถูกขอเพื่อเป็นสิริมงคลเยียบผืนผ้าได้สมัยนั้น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 ภานวานที่สองจบ